สิกขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ให้ถอนขนในที่แคบณนะที่ไหนตอบทรงบัญญตัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉับพักคี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉับพักคีให้ถอนขนในที่แคบในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ